ที่เราได้มารักษาศีลปฏิบัติบำเพญภาวนาฟังธรรมก็เป็นอานิสงส์สูงสุดนะของมนุษย์ที่เกิดมา ยุคไหนสมัยใดก็ตามก็ไม่เคยว่างเว้นจากผู้เพียรเพ่งภาวนามีมาตลอดจนถึงบัดนี้ก็ยังมีอยู่ ถ้าช่วงใดการบำเพ็ญภาวนานีหายไปจากโลกก็ต้องบอด ถ, ถึงการละวิบัติในชีวิตของมวมนุษย์สัตว์น้อยใหญ่อาจจะต้องถูกล้างเผาพันกัน อาจจะมนุษย์ต้องฆ่ากันเองในความโลภโกรธหลงกันแย่งชิงกันหรือเมื่อถึงเวลาคนบาปมารวมกันหมดทั้งโลกภัยพิบัติ ธรรมชาติก็จะลงมือล้างผลานชีวิตจัดน้อยใหญ่ดินก็แตกระแหงน้ำอาจเหืดแห้งหรือไม่ก็ท่วมตกเป็นเดือนเดือนดิน ถลมทลายผู้คนสัตว์น้อยใหญ่พืชญยาหารจมอยู่ใต้น้ำพเราครีเมื่อวันสิ้นโลกอย่าคิดว่าไม่มีนะวันล้างโลกมี แต่ไม่ใช่ยุค ข, ของพวกเรามันเป็นวัฏจักรเกิดตั้งดับในคุณโทษอยู่ในตัวมันเองเกือบทุกอย่างอุปมามันมีเล่มหนึ่งมีทั้งคุณทั้งโทษอยู่ที่เราใช้ มีดไม่ได้ฆ่าคนแต่คนเอามีดไปฆ่าคนไปฆ่าใช้มีดเป็นอาวุธสรุปพอตำรวจจับก็จับว่าคนทำผิดไม่ใช่มีดทำผิดสุดจริตหรือทุจริต มันก็คือคนที่กระทำเท่านั้นเองะนั้นพวกเราคงไม่อยู่ถึงวันสิ้นโลกที่ธรรมชาติจะมาล้างผปล่าพวกเราวันนี้พวกเราอยู่ธรรมชาติยังอบอุ่มพวกเราให้ชีวิตให้สรรพสิ่ง ที่อยู่ร่วมกับเราได้อย่างลงตัวไม่ว่าอากาศที่ทำกินพืชตัญญาหารผลไม้รากไม้ก็ยังอุดมสมบูรณ์แม่น้ำลำทานก็ยังพอที่จะเลี้ยงชีวิตมนุษย์สัตว์ทั้งโลก ก็ เ, เป็นเพราะว่ายุคของพวกเราเนะี่ยยังมีผู้มีศีลอยู่ยังเป็นผู้มีธรรมอยู่ยังเป็นผู้มีเจริญเมตตาภาวนากันอยู่จึงยังไม่สิ้นก็ว่าโลกยังไม่ถึงวัวนสิ้นโลก วันใดมนุษย์สิ้นธรรมหมดสิ้นแล้วจากศีลทั้งหลายร่างร้ายจะมาเตือนบอกธรรมชาติเริ่มบิปริตปนแปรท้องฟ้าก็ร้องคำราม มันจะเตือนพวกเราและบางครั้งก็จะขู่เหมือนพิโรธฟ้าผ่าออกมาเป็นดินก็เริ่มไหมากขึ้นมากขึ้นฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤ ด, ดูกาล รวมไปดูในครั้งโบราณการพุทธการพระมหากษัตริย์ถ้าไม่ทรงอยู่ในศีลในธรรมแล้วเวลาเกิดเพศภัยทางธรรมชาติอย่างเช่นฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาล เร า, ามามําอมาตย์ทั้งหมดคุณนางทั้งหลายต้องมาร่วมกันรักษาศีล ร, รักษาธรรมกันจนถึงพระราชาไม่ใช่ธรรมดาเรื่องอย่างนี้มีมาแล้วรักษาศีล ร, รักษาธรรม ผลฟ้าจึงตกต้องตามฤดูกาลลงมาอีกยุบของเรายังไม่เจอใครจะข้านก็ไม่ว่าใครจะด่าจะบอกไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อไรฟังให้ดีหนึ่งดินขาดป่าสอง ฟ้าขาดฝนสามคนแรงนำใจพอถึงสามจุดนี้โลกนี้บันหลยน่ากลัวมากน่ากลัวแต่ที่พวกเรา พยายามทวงดุลไว้ก็คือระหว่างชั่วกับดีดุญกับบาปผิดกับถูกดีกับชั่วนรกกับสวัสดุส่กับอุสุสิ่งชั่วร้ายกับสิ่งที่ดีงามพวกเรากำลังทวงอีกส่วนนะึง ให้เกิดความส ม, มดุลกั น, นเดินมันคือทีว่าในหนึ่งร้อยปีจะมนีเทวดาหะลงมาเพื่อตรวจตราดูในโลกของมนุษย์เราแล้วกลับไปรายงาน ในเบื้องบนว่าบัดนี้ยังมีผู้รักษาศีลถือนคคัมมะอำเพ็ญกันอยู่หรือเปล่ายังมีผู้เพียรเพ่งพานาอยู่หรือเปล่าถ้ายุคใดเวลาไหนสมัยไหนถ้ามันลดน้อยลง เหล่าเทพทายดาเกิดความสะดุ้งสะพึงกลัวเพราะอำนาจมารจะมีฤทธิ์มากขึ้นเพราะเหล่าเทศนั้นกำลังจะอ่อนลงไม่มีเทพประมุข ท, ที่จะมาจุติขึ้นในสรงสวรรค์ใหม่ ม่แต่สิ่งชั่วร้ายมากขึ้นมากขึ้นนั่นคืออันตารายอันตารายเสด็นั้งพวกเราที่รักษาศีลําเพ็นภาวนาแผ่เมตตารักษาธรรมกันอยู่ เป็นสิ่งที่สูงส่งมากไม่ใช่ธรรมดานะที่พวกเรามาถึงจุดที่เป็นอยู่นี้อยู่กำลังฟังทำรักษาศีลแยกแยะดีชั่วผิดถูกรู้นรกสวรรค์รู้กฎแห่งกรรมอยู่นี่คือสิ่งที่สูงสุด ที่ท่านมีอยู่เรียกว่าท่านมีอริยทรัพย์จะไม่เป็นผู้ตกต่ำแต่ว่าเท่านี้ก็ยังไม่พอเราจะต้องพยายามต่อไปอีก ยังมีทางที่ต้องเดินอักตรังคิโกจะมักขานังเข้มมังอัมตะคามตต์ซึ่งแปลว่าบรรดาทางทั้งหลายทางที่มีองค์แปดเป็นทางกเกษไม่ถึงอัมตะธรรมยังมีอยู่พวกเรายังต้องเดินต่อนะ ัต้องเดินไปสู่อริยมรรคอริยผลอันเป็นปัญญาที่เห็นสัจจความจริงสิ่งประเสริฐเรียกปัญญาในอริยสัจปัญญาของอริยสัจดูนผ่าน กันด้วยเหมือนพวกเรามันคนฉลาดมีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งกาดมีความรอบรู้ดูวิทยาศาสตร์ก้าวไปถึงไหนประวัติศาสตร์การเรียนรู้ย้อนกลับไปก็ถูกบันทึกไว้หมดว่าสมัยไหน แม้แต่โบราณวัตถุต่างๆที่ขุดค้นพบเจ อ, เจอมายังนับอายุเป็นล้านปีหลายล้านปีเก่งขนาดนั้นแต่ที่ธรรมามอกไ้ว่าปัญญาของปุถุชน เป็นปัญญาเพียงดำรงชีวิตธรรมหาเลี้ยงชีพและก็ทำให้การเป็นอยู่ที่สบายขึ้นไม่ได้รวมถึงความพ้นทุกข์อยางตรงนี้ยังอยู่อีกอีกฝากฟังเนี่ยต้องเป็นปัญญาของมักขาเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้ ดันันพรเจ้าจะไม่ต่วัว่านอกนี้วิง่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนีเ้เองมนุษย์ทั้งหลายน้อยนักที่จะข้ามฝั่งได้เราเจอหน้าวิทยาศาสตร์มากมายเจอเทคโนโลยีมากมายพัฒนาตั้งแต่เครื่องนุ่มขมเครื่องระดับ โภชนาการตลอดถึงเครื่องใช้ไม้สอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างยนยานพาห น, นะการเดินทางการสื่อสารเทคโนโลยีดาวเทียมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตจริงบอกว่า การสื่อสารยุคนี้เหมือนไม่มีพรมแดนรู้ภายในไม่ถึงห้านาทีก็เรื่องเกิดที่เมือง น, นี้ประเทศนี้รู้ไปหมดทั้งโลกแะนี่คือสมัยใหม่หรือ มีนวตกรรมที่ก้าวล้ำไปสูงกว่ า, ายุคก่อนแต่ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นได้ก็เพียงแค่เครื่องใช้ไม่สอยสื่อสารเป็นได้ก็เพียงแค่วัตถุไม่ใช่จิตใจที่พ้นทุกข์ พอพูดถึงตรงนี้ก็ย้อนยกเหมือนกันว่าในครั้งพุทธกาลแม้สิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดไม่มีไม่มีแต่จิตใจของท่านเหล่านั้นเขาเป็นนักคิดคนเป็นนัก วิทยาศาสตร์ในแข น, แนงที่สแสวงหาความหลุดพ้นกันมากไม่ใช่น้อยๆเขาแสวงหาทางจิตใจมากกว่าด้านวัตถุผู้สแสวงหาวัตถุก็มีไม่น้อยเหมือนกันแม้ยุคไห น, ใน กิเลไม่เคยว่างเวลนจากปุธุชนกมกปุนกันอยู่ตลอดเวลาแต่การสแสวงหาหนทางแห่งมักคาในจิตตาก่อเกิดแห่งวิปัสสนาญาณทั้งหลายที่เกิดมีขึ้น บุคคลเหล่านี้ต้องรู้วิธีการแสวงหาโดยเฉพาะแสวงหาภายในคำบมกโลกภายนอกกว้างไกลใครๆก็รู้แต่โลกภายในซึ้งอยู่รู้บ้างไหม ถ้ามองโลกภายนอกมองออกไปไกลๆเลยถ้าจะมองโลกภายในดูใจตัวเองเราผ่านวิทยาศาสตร์มาหลายหลายปีล้วเทคโนโ ล, โลยีกันหลายอย่าง จนถึงบัดนี้มนุษย์พ้นทุกข์ระอยังอาจะมามานั่งดูแล้วดูอีกวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกพวกเราได้พบความสะดวกสบายความสะดวกสบายสนุกสนานราเริง ยังไม่เคยพบความพ้นทุกข์ยังยังไม่พบเหือนที่พระพุทธเจ้าพบเพราะอะไรยาเทียวเพราะปัญญาของพวกเราเป็นปัญญาที่ยังมุ่งอยู่ได้โลภโกรธหลง ย้ำปัญญาของพวกเราคือปัญญาที่ยังนุ่งอยู่ด้วยความโลภโกรธลงนิ่งสักนิดฟังแล้วก็ดู้องอีกหน่อยใช่หรือไม่จริงหรือไม่พิจารณาคงไม่ตอบแทนใครให้เหตเอง พวกเรายังมุ่งอยู่ในโลกโกรธลงไม่ใช่เป็นปัญญาที่ละโลกโกรธลงทุกจรไม่หมดสร้างสรรสิ่งใดมาทุกนั้นยังไม่หมดมยัง ไ, ดยงไม่ดับสร้างอีกสักกี่ล้านชิ้นกี่ล้านชนิดกี่แบบกี่อย่าง ปัญญาที่ยังมุ่งสู่โลกโกรธหลงทุกอย่างไม่ดับแล้วก็เป็นที่ชัดเจนเล้ว่าวันเวลาผ่านมาแล้วจนถึงบัดนี้ชีวิสัตมนุษย์ก็ยังไม่หลุดจากวิถีกรรมที่ยัง จองเวรจองกรรมเบียดเบียนคิดร้ายทำร้ายป้าสีกันอิจฉาริษยาหมกมุ่นลุ่มห ล, ลงอยู่ด้วยการวิธีทั้งหลายแถมผลิตสิ่งมึนเมามาอีกมวมเามาอีกมนุษย์ก็ลุ่มห ล, ลงกันใหญ่ อย่างนี้ถามว่าเป็นสัมมาใลยอย่างทิฏฐิเป็นปัญญาอันเห็นชอบในอริยสัจเลยอย่างอย่า ง, างถึงบอกความรู้ปุถุชนยังไม่สามารถแวกไว้จากวังวน ในวัฏฏะทุกอย่งยังไม่ออกต้องเป็นปัญญาของผู้เห็นธรรมขคาเท่านั้นหลายคนก็สงสัยโยมบอกเรียนจบ ระดับด็อกเตอร์นะอา้าวะดับด็อกเตอร์ออรฉันทำวิจัยมาแล้วเป็นถึงศาสตราจารย์อศาสตราจารย์ผู้ทำวิจัยคนขวาก็เป็นผู้ทำประโยชน์ ให้กับสังคมไม่น้อยฉันจบปริญญามามีผลงานไม่น้อยสร้างความเจริญให้กับประเทศเก็เป็นบุคคลตัวอย่างนะ่ายกยอก่ยองดีแต่ถามว่ายังมุ่งอยู่ด้วยโลภโกรธหลงอีกหรือเปล่า มุ่นอยู่ทุกยังไม่ดับแทกจะดับทุกต้องมาศึกษาค้นหาจิตเดิมๆแต่มันนึกอยู่บ่อยเรื่องเด็กที่คลอดออกจาก พันของมารดาเดิมทีบอกเด็กเป็นผู้บริสุทธิ์พอตอนหลังต่มาไม่กล้าพูดเด็กถ้าบอกเป็นผู้บริสุทธิ์มันก็ได้แค่ครึ่งหนึ่งเพราะยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ผิดจึงไม่เป็นผู้ต้องหาใดๆทั้งสิก แต่ก็ยังไม่มีสาระเด็กเปรียบก็เหมือนผ้าขาวเท่านั้นเองที่ยังไม่เปื้อนยังไม่แปดเปื้อนไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะดูเด็กกี่คนกี่คนพอโตนิดโตนหน่อย แสดงความรักความชังความโกรธขึ้นาการแข่งแย่งเห็นได้ชัดว่าเด็กไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์แต่ไรเรียงสาคำนี้ใช่พอโ ต, โตขึ้นหน่อยใจ่องพวกเราก็คือผู้บริสุทธิ์มาแล้วใช่ไหมถ้าบอกเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็เป็นเด็กมาแล้ว อโยมมาบริสุทธิ์ไหมไม่เคยเป็นภาคขาวมาก่อนบริสุทธิ์คงมีอาจที่จะรักได้ใจของโยมรู้อยู่รู้อยู่พอเห็นอย่างนี้ก็เออ แล้วใครละ่ะบริสุทธิ์สหตที่จะมาออกบวชก็มีอยู่อีกประเด็นหนึ่งในครั้งที่เป็นฆราห์ตอยู่ยังเป็นฆราห์ตอยู่มาสะดุดใจตรงที่ว่าเราหาความบริสุทธิ์ใจ ดูไปดูมาคนนี้ก็แล้วคนนี้ก็แล้วคนนี้ก็แล้วไม่มีเลยจนสรุปได้ว่าเราหาความบริสุทธิกับมนุษย์ที่มีกิเลสตายเปล่ารูิสึก สังเวทตัวเองเหมือนจะไม่มีที่พึ่งแล้วก็มีคำถามขึ้นว่าแล้วใครเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสละ่ะเชื่อไหมว่าจิตไม่เคยคิดว่าจะบวชไม่เคย รู้สึกแม้แต่น้อยไม่ยื่ในความคิดในสมองในไอเดียกันแล้วแต่ว่าไม่มีเลยในจิตในใจไม่เคยคิดและไม่คิดด้วยถึงใครมาชวนบวชบวชตลกไม่ขำมาชวนบวชแต่พอถึงจุดที่มันต้องคิด ที่เรเลิกขึ้นมาได้เนะี่ยก็เห็นอยู่พืเดียวคือพระพุทธองค์เอ้าพระพุทธองค์ูค้ตรัสรู้แล้วเป็นนักบวชผู้ออกจา ก, กเรือนเนะี่ย ตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรอีกเลยอยากหาความจริงอยากพบผู้ไม่มีกิเลสจริงๆพอเราเลิกได้จิตน้อมออกบวชและอีกข้อนหนึ่งคือเห็นไัยไัยพวกเราเนี่ยมีรอบตัว ถ้ามาพูดเดนเลยเนี่ยใครที่ฟังทำอยู่เกือบตายกันมาคนหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งตอกี่ครั้งแล้วดาวยัวเองก็เกือบตายมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วโยมก็เหมือนกันที่นั่งอยู่ได้ที่ฟังทำอยู่ได้นี้จะเป็นจะตายมาหลายครั้งแล้ว แต่มุนมีวาสนายังทรงเราจรึงยังไม่ตายแต่ใช่จะไม่ตายต้องพร้อมไหยนะพร้อมไหมท่านจะถือปืนออกสู่สมรภูมิรบหรือไม่ถืออาวุธออกสู่สมรภูมิรบมันก็ต้องตายเหมือนกัน ต้องเข้าใจกับมันนิดหนึ่งคือความตายและไม่ใช่คือสิ่งที่น่า ก, กลัวและไม่ต้องตกใจกับความตายไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายความตายใครพูดถึงความตายท่านอย่าไปบอกอภบมงคนะไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าได้เคย รับสั่งกับพระอา น, นุ์เคยถามว่าอานุนเธอรู้ถึงความตายไหมเรารู้ถึงพุทเจ้าค่ะเธอรู้ถอย่างไรพระอา น, นุ์บอกว่าละสามครั้งเจ็ดครั้งพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าบอกอานุ์เธอนีอน้ประมาทแม้ตาตากดประชรู้แล้วยังรู้ถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าเราไม่เข้าใจฟังคำนี้ทุกลมหายใจเขาออกนึกถึงความตายก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาฟังอะไรต้องฟังให้มีปัญญาอย่ายึดเพียงคำพูดถืออยู่เพียงคำนั้นไม่ใช่ปัญญาของพระเจ้าที่บอกพระองค์ระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจ นั่นหมงพระองค์มีสติอยู่ว่าชีวิตนี้จะต้องตายจะตายเมื่อไรตายด้วยโรคอะไรตายสถานที่ไหนเรามีความตายอยู่เป็นที่สุดรอบทุกขณะล้วนมีความตายอยู่ ยมเชื่อไหมละ่ะเคยฟังข่าวไหมนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านดินดีทหารพลุ่งโดดลงมาทะลุหลังคาตายแล้วนะยังมาทับคนนั่งดูตายอีกครั้งเนะี่ยคนกระโดดลงมานี่ตายไปแล้วไปเจอขือแต่ยังทะลุลงมาคละ ไอคนนั่งดูทีวีคอหักตายไปด้วยพวกเราบอกไม่น่าเชื่อใช่ไหมเชื่อเถอะมันเกิดแล้วอันที่พูดมามีแล้วไปสืบดูนะมีแล้วลงข่าวด้วยมีช่างไฟไปซ่อมไฟ ใครจะรู้มันจะต้องเกิดเรื่องขึ้นมาไฟตูดตายบางทีเกิดการผิดพลาดจากอีกฝ่ายหนึ่งทางนี้กำลังซ่อมทางลน้น ก, กระ์คัดเอาขึ้นกับพอดีบางทีเกิดจากความประมาทมือไปถูก เรียนมาแท้ๆแต่ต้องมาตายกับพิชาที่ตงนงเรียนมาห่าหมะเร็งตายกับโรคอื่นไม่น่าเสียใจนะแต่มาตายกับโรคที่ตนเรียนมาคือโรคมะเร็งไม่น่าเกิด นี่สิไม่น่าเกิดแต่มาเคยเล่าอยู่ครั้งหมอนี้เป็นหมอเก่งนะเรียนทำโรคมะเร็งมาโดยเฉพาะรักษาคนมาเยอะทำให้คนรอดมาก็พอสมควรแต่เชื่อไม่ว่าพ่อแม่ตัวเองรักษาไม่ได้ เกิดสลดสังเวชเสียใจเลิกไม่เป็นหมออีกเลยเรียนมาช่วยคนอื่นได้พ่อแม่ช่วยไม่ได้ตนรู้สึกเหมืนไร้ค่าแต่จริงไม่ใช่เพียงแต่เรา ้งความหวังไว้มากเกินนึกว่าเราจะอยู่เหนือสิ่งนั้นได้เรายังอยู่ใต้ฟ้าต้องเจอลมเจอฝนเจอภัยยุเจอภัอ ย, อยพิบัติเจอโรคต่างๆถ้าไม่คนอื่นตายจิงไม่สลดใจ คนตายทุกวันโรคมาเรองก็มีคนตายทุกวันโรคไหนๆก็มีคนตายทุกวันแต่มาสรดใจที่พ่อตัวเองแม่ตัวเองตายในโรคที่ตนเรียนมามันเหมือนสิ้นหวัง ก็น่าเสียดายสุดท้ายเป็นหมอก็ยังไม่พ้นทุกข์ผ่าตัดหัวใจได้ก็ใช่ว่าจะพ้นทุกข์ผ่าตัดสมองได้ใช่ว่าจะดับทุกข์ได้สร้างเครื่องบินให้บินได้ใจก็ยังไม่เป็นอิสระ คื่ทางเดียวที่บอกต้องหาปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อจะดับทุกข์ไม่อย่างนั้นเราจะติดอยู่กับโลกใบนี้แล้วสุดท้ายทุกคนจะพูด แล้วก็จะถามแล้วสงสัยทำไมชีวิตจึงเป็นอย่างนี้ยามบอกว่าไม่เคยพูดคำนี้นะหานได้มาพูดหลายครั้งแต่คนละโอกาสหลายครั้งแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ยางบอกว่าไม่เคยเจอเรื่องอย่างนี้เจ อ, อทำไมจึงเป็นอย่างนี้ คำถามแล้วทำไมจะไม่เป็นอย่างนี้พระพุธเจ้าที่วัตถากตาเนี่ยตาตาเนี่ยคือเช่นนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองยอมรับได้ไหมล่ะเมื่อมันเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้เนี่ย เรารู้วิธีดับทุกข์ไหมธรรมมาเคยศึกษาระหว่างกายกับใจผู้ภาวนาก็น่้ต้องศึกษากันระหว่างกายกับจิตพอถึงที่สุดระหว่างชีวิตกับธรรมอะไรที่เป็นใหญ่ สุดท้ายกายเป็นเบาใจเป็นนายกายเป็นเบาวพอถึงที่สุดแม้ชีวิตก็สละได้ทำไมใช่คำนี้ยมรู้ไหมที่สุดของพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ทุกๆรูป ปฏิบัติได้ดีแล้วใจเห็นท่านยอมสละละสังขารยอมสละชีวิตแต่รักษาไว้ซึ่งธรรมท่านไม่โกรธต่อความเจ็บ เันสพสิ่งทั้งหลายอายุกำลังหมดลมหายใจลมกำลังดับธาตุกำลังแปรพรนอยู่ท่านไม่ได้ติดอยู่ในกายนี้ท่านได้สละแล้วรูปตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้า อายะวะน้อยใหญ่ท่านวางไม่ยึดมั่นหม่ว่าเป็นท่านอีกเลยเป็นได้ก็แค่ธาตุสี่ขันห้าจิตของท่านเป็นธรรมะวาง ไม่ยึดติดสิ่งที่ต้องแตกดับยึดไปก็ทุกข์ยึดไปก็ไม่ใช่ของเราปัญญาอันเห็นแล้ววา่าตัมมาดูท่านละสังขารได้ทุกทุบองคเลยไม่มามั่นหมายไม่มาเป็นตัวกูของกู ไม่มาติดอยู่กับจิตที่มีสมบัติอยู่ด้วขอมาโลกโกรธหลงอีกท่านสลักสุดท้ายอวัยะวะและชีวิตทรัพก็ไม่มีความหมายมีน้า ผู้ที่รักษาธรรมคือรักษาสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ใจไม่ถูกปรุงแต่งทุกจริงไม่เกิดทุกจริงไม่เกิด ท่านจึงไม่โปร่งแต่แตกติดอยู่กับพพอีกเลยเมื่อท่านสละได้ชีวิตชีวิตสละได้กายก็เป็นความว่างเปล่าจิตก็เป็นของว่างเปล่าสุขไม่มีทุกข์ไม่มีไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มี มีเพียงสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความมั่นหมายไม่มีมีแต่สภาพรู้แล้วสิ้นสุดการพิจารณาทุกอย่างเหลือเพียงคำว่ามีสภาพรู้แล้วก็วางจากทุกอย่าง จึงบอกว่าจิตใจชีวิตสัมผัสอยู่กับสิ่งใดใจไม่หลงติดในสิ่งนั้นมันคืออิสระที่แท้จริงยิ่งกว่านกโบยบินอยู่ในนภาอากาศยิ่งกว่า ปลาแหวกไว้อยู่ในสายธารายิ่ยงกว่าเพชรเนินกินดาที่สวมใส่อยู่ในเรือนร่างมันอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงแต่มาจึงบอกเออใครรู้ธรรมจิ กิเลสก็ลดลงจริงๆใครรู้ธรรมะไม่จริงพูดเท่าไหร่ใจก็ไม่ลดเลิกละมานะอัตตาตัวตนก็ยังมากยังเต็มอยู่ที่บอกผู้ยิ่งภาวนาดูเหมือนใจเนี่ย จเบื่อต่อการปรุงแป่งยมสังเกตนะผู้ที่เพียนเพ่งพาวนาพอถึงจุดเนะี่ยท่านจะเห็นธรรมชาติที่เป็นธรรมมากกว่าที่จะเห็นใจที่ปรุงให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นท่านเห็นได้แค่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับ แล้วก็ให้สติผู้ที่อยู่รอบรอบตัวท่านท่านจะให้สติแล้วก็เตือนไปเรื่อยๆจนความบกทอายุขัยมนุษย์ที่ไม่รู้ก็บแบกหาม ทุกพาไปทั้งสิทธิ์เรื่องจิกฉะนั้นพวกเราเนะี่ยยิ่งภาวนาไปยิ่งกำหนดไปไม่ใช่เพียงแต่ภาวนาแล้วก็ได้อาการไม่ใช่อย่าไปติด รูปแบบก็ไม่ติดสุดท้ายใจที่เป็นพระคือชนะใจของเราเองใจที่เป็นมารคือแพ้ใจของเราเองท่านจะเป็นพระเป็นมารอยู่ที่ใจของท่าน ไม่ใช่อยู่ที่มิดเล่มนี้นั่งดูภาวนาไปกำหนดไปพิจารณาไปเราจะเห็นเห็นจริงๆนะยาดโจม เ็นความทุกข์ที่ดับลงแล้วหรือกำหนดเห็นทุกข์ที่ยังไม่ได้ดับและต่อไปใจของท่านจะพูดคำสั้นๆทุกเกิดทุกดับสุขเกิดสุขดับ ล้วนไม่เที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจ์ทุกเกิดทุกดับสุขเกิดสุขดับเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจ์ทุกเกิดทุกดับสุขเกิดสุขดับเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจ์ เจรนาอะไรก็มีเท่านี้เห็นอะไรกําหนดได้ก็มาลงอยู่ที่ทุกเกิดทุกดับสุกเกิดสุขดับเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จังจริงๆสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนี้เองแต่ เ่นนี้เองมจะพบอิอสระเหมือนอินทรียที่บินออกจากกรงขังเหมือนปลาที่ได้แวกว้ลงโซมาสมุทรที่ยิ่งใหญ่เหมือนเสือที่เข้าใจปา่า เหมือนวิญญาณที่รู้แจ้งพบน้อยใหญ่ทุกเกิดทุกดับสุกเกิดสุกดับเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นของไม่เที่ยงอ น, นิจจังจริงๆ ท, ทุกอย่างเป็นเช่นนี้เองตักทะ จะไม่มีเว้นกับใครเลยไม่คิดร้ายกับใครแม้แต่คนที่จะมาทำร้ายเราก็ตามละลึกถึงกฎกรรมทำดีไปยอมได้รับกุศลแห่งคำดี ใครทาไม่ดีหากกุศลกรรมวิบากกรรมเขาจะต้องได้รับในชาติใดชาติหนึ่งวันใดวันหนึ่งสัตว์โลกล้วนหน้าสงสารยามที่ไม่รู้ทาก็ล้วนแต่เป็นผู้เคยขอเวรสร้างบาปกรรมทั้งสิน้นแม้ตัวเราเองก็เคยเป็นเยี่ยงนั้นสุกเกอสุขดาบ ทุกเกิดทุกดับเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จริงจริ ง, รงทุกอย่างเป็นเช่นนี้เองตาตาตการภาวนาที่สุดมันก็มีของมัด ระยะทางการเดินทางมันก็มีที่สิ้นสุดของมันอาตมาก็รู้ของอาตมาโยมก็รู้ของโยมเราจะต้องการเกิดหรือจะยุตดดิความเกิดก็จงกำหนดตัวเองแต่อย่างน้อย การเกิดต้องไม่มีทุกขติในบ้วนหน้าต่อจากชาตินี้เป็นต้นไปกายพภูมิทั้งสี่ท่านต้องปิดมันให้ได้ไม่อย่างนั้นเมื่อท่านไม่ลงนรกใครจะลงนรกพระก็เช่นเดียวกันเมื่อพระไม่ลงนรก ใครจะลงนรกเหมือนกันต้องกำหนดให้ดีพอดาพอเข้าใจเสร็จทิทรวนเป็นของบ้างเปล่าในที่สุดไม่ว่าใครวันนี้ดี พรงนี้ชอว่าล้วนเป็นไายาของกิเลสตัณหาทั้งนั้นถ้าเราไม่เข้าใจมันเราก็เจนลงมาสุดท้ายก็ถูกหลอกต้องมีสติรู้ดีรู้ชัวงดชั่วทํทำดี ยิ่งเข้าใจเข้าใจกุศลก็เกิดขึ้นอย่าให้ใจของเราเป็นมารตัวเองทำดีหน่อยก็เป็นหลงตนเสียมากก็เป็นมารตัวเองทำชั่วแล้วยังไม่รู้ว่าชั่วก็ยิ่งเป็นมารตัวเองไปอีกกว่าจะรู้ตัวความทุกข์ ก็มากแล้วการมีบากให้ผลต้องร้อนใจอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จึงบอกทุกเกิดทุกดับสุกเกิดสุขดับเกิดแก่เจ็บตายร้วนเป็นอนิจังทั้งสิ้น จะอ่อนโยนลงนิสัยก็จะเปลี่ยนอ่อนน้อมลงมันจะเป็นมงคลให้กับตนเองเชื่อเถอะโยมพูดดีดีกว่าพูดไม่ดีคิดดีดีกว่าคิดสิ่งไม่ดี อายุเราเหลือไว้แค่สร้างบารมีอย่าไปสร้างกรรมกับแครเพราะบุญนี้จะํำตุนไปสู่ประโยชน์อันใหญ่ในภายภาคหนา้าแต่ถ้าเราเดินทางผิดคิดผิดพูดผิดมีแต่ความกนนองมือกนนองเท้ากันนองวาจากนองใจแล้วสุดท้าย ภัยจะมาถึงตัวเราแม่จะพูดว่าขอโทษมันก็ไม่พ้นทุกบอกว่าสำนึกแล้วก็ยังต้องเสียใจต่อไปอีกสังเกตดูคนที่บอกสำนึกตัวเองได้รูวันแต่รู้สึกผิดแล้วก็ เสียใจกับสิ่งที่ทำไว้จิตมันจะเศร้หมองอจังนั้นเราเพียรภาวนาเพื่อยุติความหลงตัวเองความมัวม่ตัวเองความหลงกับผู้อื่นความมัวเมากับผู้อื่น สุดท้ายตุองอยากเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเที่ยงแท้ที่สุดมีแต่ความว่างเปล่าไม่ว่าบุญคุณความแค้นความรักความชังสุดท้ายก็เป็นของว่างเปล่าก็พยายามมีสติกัน ปฏิบัติคับแล้วเราจะเข้าถึงแก่งทรรมจะสงบจากบาปจิตใจสงบจากการพรุงแตง่งติดพบน้อยใหญ่ให้สิ้นออกจากพบน้อยใหญ่นั่นแหละ เหมือนที่พรุทเจ้าตรัสในที่สุดสภรพสิ่งทั้งหลายลวนเป็นของไม่เที่ยงพวกเราหลงไปเองในชั่วร้อยปีร้อยพบที่เกิดรอจนหลงไปเองเรา เป็นสัมมาทิทิฏฐิและเราจะเห็นทุกอย่างปัญญาอันเห็นแจ้งทุกเกิดทุกดับเหตุของทุกความพ้นทุกเราจะเข้าใจในที่สุดขอดจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ